ต้นฟังที่เคารพค่ะดิฉันสันสนีน้าคงกับรายการสันสนีสนทนานะคะทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวก็เป็นพระภิกษุรูปแรกนะคะที่เพิ่งผ่านไปเดี๋ยวจะมาพบกันกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งในรายการนี้ก็คือพระพิบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะค่ะน้ัสการค่ัทั้งคะเจ้บาบค่ะท่านพบูลที่เคารพค่ะคือ วันนี้ได้เห็นบทนำของบทความเชิงข่าวในไทยรัฐที่ผ่านมาว่าความสุขของคนไทยต้องเริ่มต้นที่สุขภาพคือเขาก็ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลในประเทศไทยที่พร้อมจะผนึกกำลังกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก ว่าวิสัยทัศน์ไกลมากเลยนะคะอรัฐบาลกาเพิ่งจัดงานไปเมื่อไม่นานนี้เองโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพยังไงก็ตื่นตาตื่นใจนะคะว่าโอ้โหการให้บริการทางการแพทย์ของประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าขนาดนี้เชียวหรือเขาก็จะแข่งขันการโรงพยาบาล น, นั้นก็ชํนานาเรื่องนี้โรงพยาบาล น, นี้ก็ชํานาญเรื่องนั้นอืการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะยกตัวอย่างว่ามีการใช้หุ่นยนต์นะคะอืม คอดูแลให้คนไข้รับประทานยาบ้างคอยดูแลในเรื่องอื่นๆบ้างสรุปแล้วก็คือว่าจากการที่เรากําลังฉายวิสัยทัศน์และบอกว่าเรามีศักยภาพปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรและมีความสามารถเพียงใดเพื่อที่จะรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพโลกเนี่ยหัวข้อที่ขึ้นว่าความสูงคนไทยต้องเริ่มต้นที่สุขภาพอันนี้เป็นพวกหมอและพวกที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขเขาพูดกันอืม แต่ในราการเราเป็นราการธรรมะค่ะถามค่ะตอบอย่างไรเพราว่าความสุขของคนไทยต้องเริ่มต้นที่ไหนความสุขของคนไทยต้องเริ่มที่สุขภาพใจอ่าสุขภาพใจกายก็ส่วนหนึ่งถามว่าอ่าในส่วนที่จะมาประกอบเป็นร่างกายของเราเนี่ยนะค่ะมันก็ต้องมีทั้งกายและใจมาที่หมอเขาก็จะเข้าใจกันว่าเออร่างกายมันก็จะมีพวกโรคภัยไข้เจ็บของร่างกาย นะมีโรคไข้หวัดไข้อะไรต่างๆเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะในขณะเดียวกันใจของเราคือคื อ, คอร่างกายชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นสุขได้กายก็ส่วนหนึ่งนะสิ่งที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือใจนั่นเองนะถ้าใจเราไม่มีโรคนะโรคทางใจคืออะไรคุณติว๋วรู้ไหมโรคของใจเนี่ยพระเจ้าพูดถึงกิเลสนั่นเองนะถ้าเมื่อไหร่เราปีติขึ้นมาเราอยากมาก เขาเรียกว่ารุ่มหลงมัวมามากอันนี้จิตคุณเป็นลักษณะของจิตที่หิวละหรือถ้าปีดขึ้นมาจี๊ดขึ้นมาเลยอันนี้ก็เป็นจิตที่ร้อนละนเวลาไหนที่งงงงไม่รู้เรื่องอะไรนี่ก็จิตสิตหลงละก็คือมีอาการของความหิวความร้อนความมืดนอยู่อยู่ในตัวของจิตนี้เป็นอาการที่จะเกิดขึ้นของจิตที่จิตที่ป่วยที่อาการป่วยทางจิตแล้วมันยังมีประเด็นตรงนี้อีกด้วยว่า ไอเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะคุณโยมถิอไม่ว่ามันจะเข้ามาจากทางตาั้งหูจมูกลิ้นเนี่ย5อย่างที่เป็นกายของเราเนี่ยนะ <Okay. S 1> ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมันต้องไหลมารวมที่ใจนะใจเนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าไปรับรู้ <Okay. S 1> าบางคนเนี่ยอยู่คนไข้าบางคนเนี่ยหมอเนี่าทสไซดีดีแสน ด, ดีแล้วคนไข้ก็ยังฟ้องหมอนะฟ้องหมอเอาเรียกค่าเสียหายเรื่งต่างๆเป็นคดีความเราก็เคยเห็นมาแล้วนั่น <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าสุขภาพกายเขาไม่ดีนะ แต่สุขภาพใจก็ต้องหาที่ไม่ดีอเพราะฉะนั้นอาตมาก็จึงต้องบอกว่าเในทางการธรรมานี่นะเราก็จะต้องเน้นว่าเออสุขภาพชีวิตของคุณจะดีขึ้นได้ก็ต้องที่สุขภาพใจนะถ้าไม่งั้นคนที่นอนปุ๋ยอยู่ตามโรงพยาบาลมาเร็งขั้นสีแ่แล้วหมดหวังแล้วอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วมันจะมันจะพ้นทงได้ไหม ล, ล่ะเราชีวิตเขาจะดีขึ้นมาได้อย่างไรชีวิตหลังความตายเขาจะเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ที่สุ ข, สขภาพใจงนั้นเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าถามพระพระก็ต้องบอกว่าสุภาพทางใจเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่สุดไหมคะเออก็ถามหมอด้านจิตวิทยาก็ได้<ม>เขาก็จะตอบเหมือนกันนะคะว่าสึกว่าพทางใจสําคัญที่สุดและอันดับแรกมาก่อนค่ะและการ<ม>ป่วยทางจิตในความหมายนี้ไม่ต้องถึงขนาดว่าเข้าโรงโรงพยาบาลที่เขาเรียกว่าหลังคาแดงสมัยก่อนโรงพยาบาลคนโรคจิตมีนเขาเรียกหลังคาแดง ท, ทําไมเขาเรียกอย่างนั้นส<ม>งสยัยจะเป็นมุงกระเบื้องหลังคาสีแดงไม่ได้ วันะะนี้มาอะไรบางมาอะไรก็มุงสีแดงกันะแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับเราเรียกผงซักฟอกใช่ไหมคะผงซักฟอกมีหลายชนิดแต่เราก็เรียกว่าชื่อของชนิดที่มาก่อนอืเป็นชื่อภาษาอังกฤษของผงซักฟอกไปเลยชอย่างแฟบกับบรีสอย่านี้นสมัยก่อนนะคะอ่าดิฉนันก็จะได้ยินเขาไม่ค่อยพูดกันหรอกว่าถ้าจะไปซักผ้าเรียกหาบรีสส่วนใหญ่ก็จะ นึกว่าแฟบเนี่ยเป็นชื่อของผมแปแล ว, ว่าผมสักผ้าไปเลยใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ทั้งแฟบทั้งบริสไม่มีเพื่อนเยอะนะคะมีหลายยี่ห้อมากาดิฉันก็จําไว้ค่อยได้แล้วละ่ะรู้แต่ว่าเอในกรณีอย่างโรงพยาบาลที่เราพูดกันเนี่ยคนนึกว่าถ้าป่วยทางจิตต้องถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลแต่ฟังพระอาจารย์ไพภูนพูดแล้วไม่ต้องถึงขนาดนั้นอืมไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เลยนะผู้เช่า พ, พูดถึงอาการป่วยก็คือกิเลสต้นนั่นเองอ๋อค่ะ งั้นแหมจะว่าไปนะคะท่านคะแทบจะตลอดเวลาของเรามันจะเจือไปด้วยกิเลสตลอดนะคะมนุษย์ธรรมดาที่ยังไม่เห็นธรรมะนะคะอ๋ะแนอแน่นอนอันนี้เพราะนั้นเราก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกือบตลอดทั้งวันเลยสิคะใช่เอาวันหนึ่งบางทีหลายรอบนะคนนี้โทรศัพท์มาเราปี๊ดขึ้นพอปี๊ดขึ้นแล้วควบคุมได้แล้ะนี่ก็ป่วยทีนึงละเดี๋ยว มีคนเอาอาหารมาโอ้โหกินเต็มที่เลยจ่าจานสองจานสามอันนี้ก็ป่วยแล้วทีหนึ่งละนะมันมั น, มนเราจึงต้องคอยระวังตรงนี้อาการาป่วย<า>ของสิทธิ์อาหา ร, อ, าหารอร่อยมากๆก็ป่วยเหรอคะท่านคะเอาก็คือคุณลุ่มหลงมัวเมาไงโอ้คุณอิ่มแล้วไม่พอเอาต่ออีกนะเพราะปากบัญญัตินะจื๊ต า, าคิดถึงคนนั้นคนนี้เหรอคะท่านคะเออคิดถึงในแง่ไหนแต่ถ้าคิดถึงในแง่ที่เป็นกุศลก็ได้อยู่เออสมมุติคิดถึงในแง่คิดถึงแบบเป็นแฟน อ๋อก็พระพุทธเาบอกงี้สมมุติเราเจอสุขเวทนาอย่างเราคิดถึงเป็นภาษาใช่ไหมค่ะพอมีภาษาแล้วจะมีเวทนาถ้าเราเจอสุขเวทนาแล้วเนี่ยแล้วเราลุ่มหลงไปตามสุขเวทนานั้นนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยก็คือจะเป็นสร้างกรรมละนกรรมในกรณีนี้ก็คือเป็นอนุสัยเกิดขึ้นในจิตของเรานจะเป็นราคะอนุสัยเกิดขึ้นในจิตของเราอ่านี่ก็ะจะก็เรียกว่า ก็เป็นโรคอย่างหนึ่งแล้วนะโร ค, คราคะเนี่ยนะมสมมติว่าเราก็มีความรู้สึกเคารพศรัทธาคนคนหนึ่งเสร็จแล้วเราเชื่อว่ามีคนคนหนึ่งเขาเป็นผู้ที่ไม่เคารพศรัทธาคนที่เราเคารพแล้วก็นึกในใจเลยเจอที่ไหนไหนขอสักฉากิหนึ่ง <c oughs> หรือว่าเจอที่ไหนฉันขอด่าสักทีหนึ่งแล้วพอ <c oughs> เจอแล้วด่าจริงๆด้วยใน <c oughs> ที่สาธารณะ น, นี่ป่วยอาการไหนคะท่านค ะ, ะก็เป็นความร้อนไงเวลาที่จิตร้อนนะัแล้วคือความร้อนกับความมืดมันก็มาด้วยกันนะ่ะหมายว่าเขายังไม่เห็นรู้จักเวทนาที่เกิดขึ้นในสิ่งของเขาตามที่เป็นจริงพอเขาไม่รู้ตามที่เป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีอวิชชานุสัยเกิดขึ้นในสิ่งของเขานะแล้วพอมีความโกรธเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นไม่รู้วิธีการสละละไป ละไม่ได้ไอ้พวกนิ่มก็สร้างเป็นปฏิกะนุสัยในจิตของเราอีกนะเราก็ป่วยอยู่เรื่อยนะ<อ>ท่านอาจารย์ใช้ศัพท์เทคนิคเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> อนุสัยก็ง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือเหมือนกับความ เ, เคยชินเป็นแพทเทิร์นในชีวิตเป็นเหมือนกับเครื่องนองเนื่องของดองของหมักเอาไว้เนี่ยมันก็ทับถมทับถมอย่างใบไม้เนี่ยนะเราตกน้ำลงไปตกน้าลงไปเนี่ย ไอ้ที่ลอยอยู่ข้างบนมันก็ค่อยๆลงไปใต้น้ำใช่ไหมลงไปเสอมัก็ทับถมทับถมทับถมทำให้มันเป็นตื้นๆ ข, ขึ้นมาเนี่ยนี่คือลักษณะของอาสวะที่เกิดขึ้นในจิตของเราจริตของเราพอสั่งสมอาสวะนี้มันก็ค่อยๆมืดไปมืดไปมืดไปมันก็ไม่สว่างคิดอะไรการงานอะไรมันก็ออกยากแล้วอย่างกรณีที่คุณยมติวพูดถึงว่าคนที่เขาไม่ชอบพอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เก็บงำความไม่พอใจเขาไว้แล้วก็พอมีใคร เห็นตรงกันข้ามกับเราเราก็โกรธอันนี้คือลักษณะของความเกลียดที่เกิดขึ้นจากความเกลียดหมายความว่าคนนี้เราเกลียดคนนี้ใช่ไหมค่ะแล้วปรากฏว่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาดันมารักไอ้คนที่เราเกลียดเราจึงเกลียดคนนั้นด้วยนะเรานี่เรียกว่าความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดนั่นเองแราวก็เป็นอย่างนี้เขาก็จะไม่พ้นทุกข์ไปด้วยเหมือนกันดังนั้นเราจึงควรดูเหมือนกับว่าถ้าจะพูดไปเรื่อง ความไม่สบายทางจิต ท, ที่ท่านว่าเนี่ยก็ามาจากการที่เร า, ามีมีปฏิกิริยาหรือมีอาการแสดงออกอันเนื่องมาจากมีอารมณ์ต่างๆมากระทบถูกไหมคะถูกต้องมีผัสสะแล้วมีเวทนาสิ่งนั้นท่านเรียกว่าเป็นผัสสะแล้วเกิดเวทนาชอบไม่ชอบใช่เฉยๆอย่างนี้ถูกต้อง ประเด็นคือตรงนี้นะคุณหยมติว ถ, ถ้าเรามีเวทนาแล้วคุณไม่รู้จักจัดการกับเวทนานั้นอันนี้แล้จะเริ่มมีปัญหาละเราจะเริ่ม<ช>มีตันหาอะไรต่างๆความทุกข์นอนตามกันมาเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นพอเรามีเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงพระเจ้าจึงบัญญัติธรรมะ ท, ทั้งหมดที่พระเจ้าพูดมาตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงคืนสุดท้ายที่ปรรฐมิพานเนี่ยเพื่อที่จะมาแก้ปัญหานี้ตัวนึ่งคือเวทนาตัวนึ่งตรัสไว้สําหรับสัตว์พูดที่ยังสามารถสวยเวทนาได้อยู่ เราจะจัดการกับมันยังไงว่า ง, งั้นค่ะงั้นกรณีแบบนี้ถ้าสมมติยกเป็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมอ่ากรณีที่ยกตัวอย่างไปมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะแต่เอากรณีที่มันเกิดขึ้นได้บ่อยมากกว่าเช่นในที่ทำงานของเราในบ้านของเราเกิดเราไปรู้มาว่ามีใครทำอะไรที่มันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ถูกอะ่ะหรือว่ามาว่าเราเสียเหายข้างหลังเราจะต้อง เดี๋ยวเหอะอย่าให้ฉันเจอหน้านะเจอตรงไหนฉันก็จะฉาะเธอเพราะว่าเธอเนี่ยมาทําให้ฉันอเสียหายอความจริงจะว่าไปเราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกนะครับเพราะเอาเราไปพูดในทางที่มันผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงแล้วมันเสียหายแต่ในทางธรรมะเนี่ยคะ่ะจะมีวิธีทําแบบเดียวกันหรืออย่างอื่นอย่างไรคะท่านคะที่ดีที่สุดอะคะวิธีตอบโต้ที่ดีที่สุดที่พระเจ้าให้ทํานะ คุณโยมต um ิ๋ว <ST I> ก็คือตอบโต้ตด้วยความรักความเมตตาในะอย่างคนที่เข า, เาทําไม่ถูกอย่างเงี้ยคือสมมติเราเราไม่ชอบคนนี้ค น, คนนั้นก็อาจจะทําไม่ถูกจริงๆก็ได <Jian. S 1> นะ้คนนั้นที่ทําไม่ถูกจริงๆเนี่ยเรายิ่งควรจะต้องมีเมตตากับเขาเพราะว่าเขายังเป็นคนที่มีความทุกข์อยู่ยิ่งเขาทําสิ่งที่ไม่ถูก Around, ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่เป็นอกุศลโอ้โหเรายิ่งต้องมีความเมตตากับเขามากๆเลยเพราะว่าแหมพวกนั้นจะทําให้เขาทุกข์พอแดงแล้วนะ อ่าตอ น, นี้ถ้าเราไปทําความทุกข์แบบเขาเราก็เป็นหนึ่งในพวกนั้นน่ะเราก็ไม่ทําดีกว่าอย่างที่เมื่อวานได้พูดถึงใบอ่ะที่ ค, คําของท่านพุทธทาสที่บอกว่าเอ่อหมาเห่าทีม่มาอย่าเห่าตอบเพราะจะมีจะเพิ่มหมาขึ้นอีกตัวหนึ่งนะถ้าเขาด่ากันว่ากันไม่ดีเราอย่ายไปด่าตอบว่าตอบนะเราก็จะยิ่งไม่ดีไปด้วยถึงวิธีตอบโต้ตน่ะคือให้อดทนให้มีความรักความเมตตาหรืออีกทางหนึ่งก็คือให้ไม่เบียดเบียนกัน ใหม้มีความรักใคร่เอ็นดูพวกนี้จะเป็นการตอบโต้ที่ดีที่สุดการที่ทนเลยเปิดตถาคตภาษิตที่ท่านเคยแจกไปในรายการเนี้ยแหละนะคะบทที่หกสิบแปดแน่เลยรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูอดิฉันเห็นเขียนบรรทัดข้างล่างคงจะเป็นที่มาของพุททวจนะบทนี้บอกว่ามหาจุด แล้วสังนี่แปลว่าอะไรกะท่านคะอ๋อก็คือสังยุตตนิกายอ๋อมหาวักมหาวรารักคือในธรรมปีเป็นแต่ปิฎกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นนิกายนิกายอยู่หลายอย่างปิฎกก็คือสามปิฎกใช่ไหมค่ะแล้วก็ในแต่ละปิฎกก็จะมีแบ่งเป็นนิกายนิกายในแต่ละนิกายก็จะเป็นเป็นวักเป็นวักในแต่ละวักก็จะแบ่งเป็นสูตรสูตรแต่ละสูตรก็จะแบ่งเป็นย่อหน้าเป็นข้ออย่างเงี้ยก็จะย่อยย่อยย่อยย่อยลงไป ก็มือนกับว่าเป็นการบอกเราว่ามีที่มานะที่มาที่มาอ้างอิงได้อย่างถูกต้องไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆไปเปิดดูก็จะเจอคํานี้พอดีอันนี้เป็นพุทธวจนะหรือเป็นอัถกถาที่ครูอาจารย์รุ่นหลังกล่าวกันะ อ, อ๋อ<ๆ>ในนี้เป็นพุทธวจนะหมดเลย อ, เอ๋อค่ะเป็นพุทธวจนะท่านคะและต่อที่ฉันก็เปิดดูอีกบทหนึ่งไม่ทราบว่าสิ่งที่ท่านพูดไปนี่เข้ากับเรื่องนี้หรือเปล่าพูดถึงการไม่ถือมั่นนะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราไม่ตอบโต้เขา เท่ากับเราไม่ยึดถือดิฉนเข้าใจอย่างนั้นนะคะแต่ในที่นี้จะเกี่ยวกันไหมคะกับพุทธว จ, จนะบทที่ว่าเมื่อไม่ถือมั่นย่อมไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนใช่ที่เดียวคือถ้าเราตอบโต้ด้วยความอดทนนะหรือไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตเนี่ยจิตเราได้รับการรักษา น, นจิตเรานักขณะนั้นนี่คือจิตที่มีสตินันจิตที่มีสติเนี่ย ก็จะสามารถที่จะเห็นมีสมาธิได้มีสมาธิแล้วก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ปุ๊บปล่อยวางอะไรได้ก็คือปล่อยวางเจ้าอุปาทานนี้ได้นั่นเองค่ะนั่คือจะมีลําดับขั้นไปของมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยได้เรื่องว่าเราจะต้องรักษาสุขภาพใจด้วยจถ้าอยากมีความสุขในทางธรรมะก็ดังที่ท่านเพบูรณได้แจ้งไปแล้วว่ากิเลสทั้งวันของเรานี่แหละ เรียกว่าจิตนั้นป่วยการจะไม่ให้จิตป่วยก็ต้องรู้จักที่จะระมัดระวังแล้วยิ่งจะไปทำให้เกิดการโต้อตอบในสิ่งที่มาทำให้จิตตัวป่วยคือเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาก็ต้องโต้อตอบคนอื่นด้วยมีความอดทนไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใครนะครับวันนี้ก็คงจะได้แค่นี้มังคะท่านคะส่วนเรื่อง นั่งสมาธิแล้วเจอผีท่านบอกว่าเรื่องมันยาวดิฉันก็ลืมที่จะถามวันนี้ผมนึกขึ้นได้กลางรายการก็ยังจําได้ว่าท่านบอกเรื่องยาวก็ต้องเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะค่ะกราบนมัส ก, การขอพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะเจนพานเจนน้องฟัค่ะและสําหรับรายการของเราสันสนีสนทนาไม่ได้จากไปไกลนะคะพอถึงเวลานี้ท่านตื่นขึ้นมาปุ๊บเปิดวิทยุปั๊บตีห้าเราก็จะพบกันปั๊บเช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะ กับราการสันนิสนทนาดิฉันสันนิยมนาคพงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการราการนี้เรามีหนังสือแจกที่เบอร์โทรศัพท์เดียวกันกับที่ท่านจะส่งคำถามมาได้ก็คือ0ูนย9 0องสของครอบครัวข่าว f m ฟเอนี่แหละนะคะเป็นหนังสือพุทธวัจนะไว้ไปไคร่ครวญคำของพระาศาสดาผู้เป็นเลิศที่สุดแล้วของเรากันวันนี้เราลาการไปิดเพลินทุานี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวจนะสวัสดีคะ่ะ